ถ้าฟังคำแนะนำในการเรียนผู้กำกับาเพราะว่าวันนี้มีเด็กเรียนอยู่ด้วยไอ้ลูกทุกคนเรียนระดับเด่นนะเพราะว่านักเรียนทุกคนก็ต้องรักษาคุณธรรมไปจำไว้เรื่องหนึ่งสังหาวัตถุสี่เรื่องหนึ่งผ่านการให้เรื่อจากตรงข้อซิ่งกันแกัน สองทิยะวาจาพูดดีเป็นที่ชอบใจทุกคนผู้ฟังสามวิทยาิียายเช่วเหลือกันงานช่วยไกกันไม่ลืมดไดย้ยและไดสีสมานาตาตาไม่ถือเปล่ไม่ถือตนแลต่อไปสีก็พมีหารสี่หนึ่งในเ ม, มตาความรักสองตุนาความสงสาร สามุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาลเสียใครใครดีคออยู่ดีด้วยแล้วสี่เบิดขาวางเฉยแล้วต่อไปก็สิบห้าบวกกันหมดสิบอางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ทุกข์กิจในการสีไม่เดินสรลาจมีไรทางวาจามีสี่หนึ่งไม่พูดติดสองไม่พูดปัญญา สามไม่สอเสียงคือไม่เดินทางชา บ, บ้านแล้วก็สี่ไม่เพ่อเจอ้เหลวไหลไรประโยชน์แล้วต่อไปทั้งด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากได้รักสม บ, บัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมเพราไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วสองไม่จองล้างจองผายไข่ความโกรธอาจจะมีแต่คมคัดมาใจไม่มี แล้วก็ศีื่อฟังคําสอนสองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามนอกจากนี้การเจริญสมาธิคุณธรรมฐานให้ทรงตัวก็คนที่มีสมาธิดีและปฏิบัติคุณธรรมได้ดีตามนิกายมาแล้วเทนี้ปัญญาดีความจําดียังแค่ทรงคุณธรรมตามนิกายมาแล้วก็ดีกิจจจใจจายิ่เยี่ยง เมื่อจิตใจเยือกเย็นความจำก็ดีปัญญาความคิดก็ดีการเรียนการศึกษาก็จะดีความบระสุทิ์ก็ดีและยิ่งมีสมาธิจิตโดยเฉพาะอย่างยิง่งฝึกได้มโนวิธีอันนี้ควจะดีมากต้องซักซ้อมตัวเองทุกวันอย่างน้อยก่อนหลับหัวถึงหมอนส่งกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้า จับภาพไห้ชัดเจนเต่มสายต่งกำลังถ้าเราไม่ไปไหนก็อยู่ที่นั่นอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสักครู่หนึ่งก็สองสามนาทีก็พอแล้วกับถ้ตอนเช้ามืดถพาตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกล้างหน้าเพราะตื่นทับใช้อารมณ์ทันทีไม่ถึงพระพุทธเจ้าภาวนาเสรที่ึนไปหาท่านนั่งอยู่ที่นั่นมองถึงภาพท่านนาสองสามนาทีก็พอ ถ้าทำอย่างนี้กําลังใจของทุกคนจะมีความเยือกเย็ยนทั้งวันอารมณ์จิตจะไปสุขปัญญาจะดีความจำจะดีความคิดอ่านจะดีกา ร, รเรียนก็จะดีด้วยออตอนนี้ไปก็ข อ, ขอพูดเรื่องกรรมฐานโค้ชุ่มกลางการจเจริญกรรมฐานทุกองขึ้นต้นเหมือนกันอันนี้ลืมไม่ได้นะที่พูดทุกวันเพราะว่าการเรียน เขาบประเภทจับพัดจับผูมีอันดับแรกเขาให้ส่งเมตตาจิตเป็นอนจาจักรวาลทั้งปวงวันนี้คนนอกใบฟิลีกเขาพูดหลักสูตรใหญ่เพื่ออันดับแรกจิตของเราต้องทรงพเมียหาสีตลอดวันคำว่าพรเมียหาสีคือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสาร สามุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาาา้าทิ่เสียไข่ใข่ได้ดีพอยินด้วยซีอเบค้าวางเฉยคําว่าวางเฉยในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งใดถ้าเกินวิสัยของเราเราทําไม่ได้เราเฉยถ้าคนอื่นมีทุกข์เราช่วยไม่ได้เราไม่ซ้ำเติมเขามีทุกข์มากสิเมื่อจิตของเราทรงก็มีหายสี่อย่างนี้อารมณ์จะเยือกเย็ยนมาก เรียกว่ามีอารมณ์ใจดีทั้งวันอารมณ์ใจชั่วไม่มีเราก็ต้องพยายามคข้ควรพิจารณาตนเองว่าเวลาไหนบ้างที่เราพลาดจากพรมมีหางสีเวลาไหนอารมณ์พลาดจากพรมมิหางสีเวลานั้นเราเป็นคนเลวถ้าเวลาไหนจิตเราทรงพวามวีหางสีครบถ้วนเวลานั้นเราเป็นคนดี ไปมองดีหรือเลวที่ตรงมีหานสี่เปนดับต้นต่อไปก็ไปมองสิ่ที่เรารักษากมามฐานให้มีความสำคัญตรงมีสิ่งสมาธิปัญญาร่วมกันเรารักษาสิ่งกี่สิขาบทถ้าเราสารีิ่ห้าก็ห้าสิขาบทรักษาสิ่งแปก็แปดสิขาบทเักษากระหมดสิ้ก็10ิสิขาบท เราต้องไขควนทุกวันว่าสินที่เราเอาสาซื้าบทไหนบกพร่องบ้างถ้าจุดไหนบกพร่องเพิงทราบว่าจุดนั้นเราเลวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเวลานั้นเราเลวถ้าสินไม่บกพร่องทั้งหมดถือว่าเราดีอริสงของสินตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสีเลยนะสุขจริงยันติคนเพื่มีศินบริสุทธ มีความเปอยู่ในชาตินี้ก็เป็นสุขตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดปเป็นเจ้ ด, ดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็เป็นสุขไปเกิดเป็นคนใหม่ก็มีรูปร่างหน้าตาสะสวยโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ก็มีความสุขข้อที่สองบอกศสีเลนโภกสมัชาคนที่มีศีลทรัพย์จะไม่เปลีอย เรามีความไปอยู่ในชาตินี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ทรัพย์ไม่เปลือแล้วทรัพย์ไปหาได้ง่ายเพราะวราเปคนมีสินทรัพย์มาจากสินตายจากชาตินี้แล้วไปเป็นนาฟ้าเป็นเทวดาหรือองค์ก็มีทิ่เป็สมบัติมากถ้าไปเกิดไปเกเกิด เ, เ, เ, เป็นคนชาติใหม่เราจะรวยมากโดยในขั้นมหาเศรษฐีสีเลนนี่ผัวจริงยันติ คนที่มีศีลบริสุทธิ์เรืชาตินี้เราจะมีความสงบสกิตจะสงบตระหจากความชั่วได้เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าทุกคมก็มีรูปสวยมีความสุขมีจิสงบได้เกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนมีความทรงจําดีมีจิตสงบมีศีลบริสุทธิ์มีรูปสวยด้วยโดลงความว่าแค่ศีลแล้วก็มีความสุขมากตบุคคลใด น, นึกถึงศีลบุคคลนั้นชื่อว่า มีสีลานที่กรรมฐานประจําใจถ้านึกถึงบุมีหาอยสี่ถือว่ามีเมตตาบารมีประจําใจต่อไปเท่าสิลงของเราบริสุทธิ์สมาธินี่ไม่ต้องฝึกมากเพราะสมาธิจะเกิดได้เพราะกํำลังของสิ่ถ้ท่าสิ่งบริสุทธิ์สมาธิตัวเกิดเองจิตก็ไปสบายที่เองถ้าจิตเกิดป็นสมาธิเกิดมีการทรงตัวก็มีความสงบ เมื่อจิตมีควาสมสงบจากสมาธิปัญญาก็เกิดเองรงความเมื่อสิ่งที่มีความสําคัญจริงๆอย่างยิ่งเบื้องต้นคือพมิหานสีถ้าเรามีพมิหานสี่ครบพ้บริบูรณ์สิ่งก็มีเองสมาธิก็มีเองปัญญาก็มีเองเอโด ย, โดยทั่วไปก่อนเรียกนกรรมาฐานขบรนดาท่านพุทธวิษัท์สำรวจพมิหางสีก่อน ว่าวันทั้งวันต้องตืต่นมาในเวลานี้เราบอกข้องใไรคมอย่างสีในเวลาไหนบ้างและข้อไหนบ้างปรับปรุงใจเสียสมบูรณ์แบบเราจะได้เป็นคนดีถ้าเราบอกข้อในความอย่างสี่ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าเราชั่วนี่ต่อไปก็หลังจากนี้ไปก็จะพูดถึงดาสินวันนี้จะพูดถึงโอทาแต่ดาวสิน คมโอทาตะแปลว่าสีขาวเกาสินสีกองที่เรียนกันมาคือหนึのの่งก้สินสีแดงก้สินสีเหลืองก้สินสีขาวเก้าสินสีชีเขียวต้องสลับกันหน่อยที่พูดวันนี้นะทั้งหมดนี่เป็นเก้สินตักโทสะความโกรธถ้าคนที่มีโทสะจริตต้องพระเจ้าทรงแนะนํา ให้ปฏิบัติในพิมิหารสี่หรือก็ศสินสีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพิมิหารนี้ต้องสีอย่างถ้ากระสินก็เลือกเอาแต่วันนี้จะพูดถึงกระสินสีขาวโลทาแต่กับสินวิธีปฏิบัติค่อยนำของสีขาวมาวางข้างหน้าจะเป็นผ้าขาวก็ได้จะเป็นกระดาษขาวก็ได้หรือวาอ่าสีขาวมาทาอะไรไวข้างหน้าก็ได้จำภาพสีขาว ทำให้มิตให้มันโตพอสมควรแล้วก็หลับก็ลืมตานึกถึงภาพก็หมดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกถึงภาพก็สินนห้ใจออกไม่ภาพก็สินถ้าเวลาภาวนาให้นึกว่าโอทาก็สิ้นังโอทาก็สิ้นหนัง จนึกจะแยกสับเรียจะรวมหมดทั้งหมดก็ได้คาว่าโอทากระสี น, งนังในไหนวาดกันตามแมบบสบับใบโอทากีนังแปลว่ากระสีสีขาวเมื่อจำภาพสีขาวได้แล้วก็หลับตาถ้าภาวนารู้ลงในใจเขาออกด้วยภาวนาด้วยนึกในใจว่าโอทากินสีนังจำภาพสีขาวถ้าภาพเลือนไปจ่ายใจก็ลืมตามันดูใหม่ จำได้แล้วก็หลับตาดึงภาพใหม่ถ้าภาพมันหายไปก็ลืมตามาดูใหม่ถ้าก็หลับตาดึงภาพอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิเบื้องต้ น, ตนถ้าจะถามว่าเป็นประโยชน์ไหมต้องตอบว่าถึงแม้ก็ว่าคณิกะสมาธิก็ประโยชน์ใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกระสิงเป็นนิมิต เป็นเหตุให้เราวัดสมาธิจิตของเราว่าเวลาไหนที่เรายังเห็นภาพนินิดอยู่เวลานั้นจิตเป็นสมาธิเวลาไหนภาพนินิตเลื่อนไปจากใจแสดงว่าสมาธิของเราเลื่อนลอยไปแล้วอะไรไปแล้วเราก็ลืมตาดูภาพไปการจำภาพได้เล็กๆน้อยๆ อ, อย่างนี้จำได้มั่งแค่นาทีบ้างครึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างแล้วภาพก็หายไป อย่างนี้เรียกคณิกรสมาธิถ้าพูดถึงความทรงจําถ้าเป็นนักศีตุสสาริยาตยองพุษษทธมัสยโตตามถ้าเป็นการฝึกความทรงจําความทรงจําจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นคณิกรสมาธิความทรงจําก็จะดีมากความทรงจำเมื่อดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นความคิดความอายก็ดีขึ้นต่อไปเมื่ออาการชิงเกิดขึ้นใหม่ๆก็เป็นขธรรมาดา จะต้องภาพบ้างหายไปเร็วบ้างต่อไปเมื่อจิตชิงขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นนานาข้าวพอลืมตาดูภาพปั๊บจําภาพได้กลับตานึกนึกภาพจิตจะทรงตัวภาพจะทรงอยู่กับจิตนานอาจจะถึงเวลาสองนาทีบ้างสามนาทีบ้างแล้วก็เลื่อนลอยหายไปพอเลื่อนลอยให้ไปเราอาจจะจิตอาจจะฟุ้งซ่านจิตที่ภาพลอยให้ไปในจิตฟุ้งซ่น แล้วอาจจะไม่ต้องลืมตาดูภาพก็ได้นึกถึงภาพว่าภาพเป็นไงภาพนั้นกลับมาใหม่จำได้แล้วก็ภาวนาไปว่าโอทากะชินอย่างนี้ถือว่าเริ่มเข้าอุปจารสมาธิเริ่มเข้าเกตปีติถ้าเป็นอย่างนี้ความทรงจำจะดีกว่าเดิมมากแล้วความคิดอ่านจะมีความฉลาดมากขึ้น ต่อไปถ้าจิตทรงตัวดีขึ้นสามารถจําภาพไปนานภาพเริ่มทรงตัวแล้วก็บังคับภาพ่็ขอภาพนี้จงสูงขึ้นภาพคือนึกจะรู้สึกใจใจก็สูงขึ้นภาพนี้จงตามลงภาพก็ต่ำภาพอยู่ก็ซ้ายภาพอยู่ขวาก็หน้าข้างหลังก็เป็นตามใจเราชอบอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงอุปจารสมาธิอุปจาระนิมิตแตระดับสองรกลาง ่็ไปภาพสีขาวที่เราเห็นนั่นในวันนี้เราเราจเจรินเดินก็ับสีขาวโอทาไปเินกับสีนี้ภาพสีขาวจะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองกลายจากเหลืองทีละน้อยะ น, น, น, น้อยจนต้องเป็นเหลืองเข้มจากเหลือเข้มกลายใหม่เป็นสีขาวที่ขาวเรียกก่าภาพเดิม ภาพเดิมจะรู้สึกว่าอยากกว่าแต่เสียนี้จะละเอียดกว่ามากมองแล้วสวยสดเืงามมีภาพทรงตัวสามารถจะอยู่ด้นานนับสองนาทีบ้างสานาทีบ้างบางครั้งสายได้จนครึ่งชั่วโมงนั่นหนึ่งชั่วโมงเพรา่าภาพนี้เป็นภาพที่มีความทั้งคันมากแตยะนี้ที่เด็นขาวลเอียกว่าเดิมสวยขึ้นดีขึ้นมากเขาถือว่าเป็นอุปจาระมิมิตอเตมุจาระสมาจิ อย่าลืมว่าโอทาเตลสินเป็นเตลสินอันหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของทิฏฐิจักขุญานสมัยก่อนที่เขายะฝึกทิปฐิจักขุยานกันเขยใช้ภาพเตลสินคืออาโลเกลสินโอทาเตลสินแล้วก็เทโชเตสินอย่างใดอย่างหนึ่งเตสินสามอย่างนี้เป็นพื้นฐานทํำให้เกิดเป็นทิฏฐิจักขุยานคือจิตเป็นทิฏฐิตอนนี้ภาพขาวสะอาดสวยกว่าภาพเดิมมาก แต่ยังไม่เคลื่อนาพิแก้วถือว่าเต็มอุปัฌารสมาธิและอุปจะหรือว่าอุปอุปหานิมิตว่อุปหานิมิตระยะนี้ก็เป็นระยะที่เราจะใช้กสิณนี้เป็นทิพย์จุญาานได้ถ้าต้องการจะใช้เป็นทิพย์จุญาานให้ใช่แบบนี้ให้ตั้งภาพกสิณขึ้นอันดับแรกนึกถึงภาพกสิณตอนนี้ไม่ต้องใช้ ไม่ต้อใช้ผืนผ้าเที่เรดูแล้วไม่ต้องใช้ชีที่าดูพรมีการคล่งตัวนึกอะไรเห็นมันนั้นนึกอะไรเห็นมั น, นั้นก็ตั้งภาพกสิงขึ้นหน้ามองภาพกสิงพอจิตเป็นสุขมีลมสบายเห็นภาพกสิงชัดภาพกสิเนี่พยายามให้ชัดการนี่ชัดคือคุมลมให้ใจเข้าออกถ้าเราไปคิดถึงอย่างอื่นภาพกสิงจะสวยจะชัดมาก จะลืมว่าภาพกระสิที่เราเห็นชัดเท่าไรสิ่งที่เราต้องการดูอย่างอื่นจะชัดเท่านั้นไปเท่เปียบเทียบต่อไปเราก็คิดคิดไมความต้องกายเกิดขึ้นว่าเวลานี้เราอยากจะดูสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกอ่ะทั้งหมดใหญ่เท่าไรมีความสวยสดงดงามขนาดไหน ขอภาพกสิณ น, นี้จงหายไปและก็ภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดจงปรากดแทนเพียงเท่านี้กสิณก็จะหายไปภาพสวรรค์ก็จะปรากดแทนทันี้เราจะดูภาพอื่นก็เช่นเดียวกันสมมติว่ามีเพื่อนเราอยู่ไกลแสงไกลในต่างจังหวัดเราก็คิดว่าเวลานี้เพื่อนงเรามีความสุขก็มีความทุกข์ทำอะไรอยู่ เขาอยู่กับใครบ้านช่องแล้มีลักษณะแบบไหนทรัพย์สมบัติมีอะไรบ้างเขาเก็บอของได้ที่ห้องแหงไหนเขาเก็บในเก็บทางไหนต้องการเห็นหมดเราก็ตั้งภาพกระสินขึ้นมาแล้วจับภาพกรสิในให้ชัดเจนตามที่กล่าวมาแล้วแล้วกไม่กว่าขอภาพกสินจนหายไปขอภาพบ้านเพื่อนแนละตัวเพื่อนจำปรากฏคนที่บ้านเพื่อนเวลานี้มีใครบ้างขอปรากฏหมด ทราบสิ่ก็มีอะไรบ้างสิ่งที่ปกติดมีอะไรบ้างพอเห็นหมดเท่านี้มันจะเห็นทุกอย่างตามที่เราต้องการกระโดงความอาโอทาตะเราสินนี่เป็นอาสินที่ใช้เฉพาะทุพิฆายนโดยตรงแต่กําลังโอทาตะเราสินก็มีอย่างหนึ่งคือนั่นใช้บังคับสีสมมติเราได้ของสีแดงมา ถ้าเราไม่ต้องการสีแดงต้องการนําันเป็นสีสขาวแล้วก็ตั้งภาพกรสิงขึ้นจับภาพตามเดิม น, นึกในใจว่าขอภาพขอสีแดงนี้จงกลายเป็นสีขาวแล้วก็ยกกิตเข้าสู่ฌานสีแล้วก็ถอยหลังมาทุติยารสมาธินึกว่าขอภาพสีนี่จะเป็นสีขาวเท่านี้จะเป็นสีขาวอดีมันจะฝึกใหม่นะ ถ้าก็มีการฝึกจนท้งองโตัวเราผนึกปั๊บมันเป็น ท, ทันทีไม่ต้องย้อนไปย้อนมาต่อไ ป, เ, ปเรื่องสมาธิเราสู ง, งขึ้นก็สิ้นจะกลายจากสีขาวละเอียดเป็นแก้วถ้าก็สิ้นเป็นแจ้วทั้งหมดถือว่าจิตใจเราเป็นฌานเวลานั้นสมาธิเป็นฌานพระิตเข้าทุกฌานตอนนี้นะความจําในการเรียกนการศึกษาจะดีมากสิ่งที่เราพูดกันไว้เราทํากันไว้ ถ้าสั่งงานไว้กี่สิบปีก็ตามมันจะปรากฏทั้งหมดคําม่ลืมจะหายาก น, นี่เมื่อกิตเป็นเป็นเป็นฌานสมาบัติแล้วกิตจะนีจะสมาธิสภาพของตัว ต, ต่อไปถ้ า, าว่าต้องการแค่กระสิะนเป็ น, นนิพานญาณการจิงนนปัสานญาณนีไม่ระเวหาที่ไหนก็สินทุกกองเหมือนกันหมดนะ ก็ตั้งภาพกระสินขึ้นหยับภาพกสินเป็นแก้วหรือเป็นสีนขาวก็ตามใจชอบก็แค่ไหนก็ได้ถ้าเป็นแก้วก็ดีถ้าเป็นแก้วมาเป็นชานได้ชานสูงสุดในเวลานั้นไม่มีลมหายใจก็ออกดูภาพกสินไปบ้างทุตภาวนาไปบ้างถ้าขณะใดปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าเรามีลมัาย ใ, ใจเขาออกเวลานั้นเป็นชามสี ถ้าเวลาที่เป็นชาสี่จิตจะทรงตัวมากเมการดิ่งคิดอะไรไม่ออกก็ปล่อยมัตามนั้นจนกว่ามีเคลื่อนโตมันเองต่อมาไม่ช้าจิตเคลื่อนตัวามาพอคิดได้ต้องคิดว่า้าพกระสินนี่ถ้าเราตั้งขึ้นต้งมีขึ้นสักไปเดียวหนึ่งจิตใครายสมาธิ้าพกระสินก็หายไป้าพกระสินมีสภาพฉันใดร่างกายก็มีสภาพอย่างนั้น เพราะว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสี่ยงในขั้นกลางมีการสลายตัวในที่สุดเพราว่าการเกิดเป็นในโลกมนุษย์ไม่ใช่ของดีไม่เป็นใดของความสุขเพราะการการเสี่ยงของร่างกายเป็นแตจัยของความทุกข์เพราะฉะนั้นขึ้นที่ว่าการเกิดอย่างนี้จะไม่ควรจะมีสําหรับเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็มาเจ็บถึงแก่ถึงจะตายเป็นกันทั้งหมด ชีวิตจะมีสามวัยคือวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนแล้ววัยวัยแก่เป็นปีสี่วัยบางคนก็ตายตั้งแต่สมัยวัยเป็นเด็กบางคนบางรายก็ตายเป็นวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ถึงวัยแก่บางรายก็ตายเดย ว, วังกับวัยกลางคนไม่ถึงวัยแก่บางคนก็ตายในวัยแก่ก็ชีวิาร่างกายเกิดมาไม่เกิดมาเพื่อตายเหมือนกัน ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอย่างนี้ไม่มีความสุขแม่เรามีแต่ความทุกข์จิตที่เราต้องการคือนิพานในเมื่อเราได้มโนยิธีแล้วก็พุ่งใจไปนิพพานทันทีสถานที่ใดในผ่านโดยสถานที่อยู่ของเราเข้าไปที่นั่นในเวลานั้นนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงปลายกบตัวตกลากัพระองค์เวลานั้นจิตใจจะใจไปสกุลคิดว่าถ้าตายเมื่อไรเข้มาในขานเมื่อนั้น ตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการเจริญกรรมฐานใ น, น, นได้มโนยิทธิการเจริญมโนยิทธิธรรมดาท่านทุกท่านที่ฟังถ้าทุกคนใช้อารมณ์กสิณ น, นี่จะมีกรารคล่องตัวทิพยานจะจำยำใสมากพกะมโนยิทธินี่เป็นทั้งพุทธารูปติและกสิณอันดับแรกครูจะแนะนำให้จับภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้า ท่านนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไม่ออกก็นึกถึงภาพพุทธออ ร, พพทรูปแทนอันนี้เป็นกสินท่านนึกว่าท่านเป็นพระพุทธเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพุทธานุสตินึกถึงภาพของท่านเป็นกสินก็สินเบื้องต้นเป็นกระสินสีถ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภาพพุทธรูปสีเหลืองเป็นปิจิกากระสินท่านนึกถึงภาพพุทธรูปที่เป็นสีนขาวเปโตรธากระสิน ทำนึกถึงภาพพระุทธรูปที่เป็นสีเขียวเป็นดีดังสินรวมความเราทําทั้งสองอย่างต้องตั้งใจดีถ้าทุกคนทากระสินเป็นพื้นฐานทุกวันอันนี้จะมีสภาพแจ่มใสดีมากเพื่อกองเดียวกันต่อมาก็คนที่ได้แล้วเห็นภาพพ ร, พระพุทธพระพุทธรูปเป็นแก้วใสแผวปล่าเป็นยับนั่นภาพพระพุทธรูปทานึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพคตธาโดยสติ แต่สีที่ไกลกวแสงสึกเือนแพวบเรายับนั่นเป็นอาโลณ์กสิ่งอารความกางฝึกมโนยุทีิก็คือฝึกกับสิ่ง น, นั่นเองฝึกกับสิงกับพุทธาภิภิทิควบกันอันนี้วิธีปฏิบัติอันดับแรกให้รู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกตามะนะมะให้ใจออกนึกตามะปาคะ ว่จงอย่าลืมว่าเวลารู้ลมเข้ารู้ลมออกก็อย่าบังคับลมหายใจใหายใจจะหนักห้ใจจะเบ า, จ ะ, เบาจะยาวหรือจะสัน้นเป็นเรื่องของร่างกายปล่อยไปเราเอาจิตเข้าไปรัทราบว่าเวลานี้หายใจเข้ารนะานาดระนาเพื่อ ใ, ใจเข้าฉันหายใจนึตามมันหมาเวลาหายใจออกนึกตามพระค่ะ การระยะที่ครูให้ให้ใจรู้หล้ใจเขาออกนี่จะให้เวลาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นครูก็จะเข้าไปแนะนำขณะที่มีครูเข้าไปแนะนำเวลานั้นขอทุกคนเลิกภาวนาและก็ไม่ต้องสนใจการรู้หลวใจเขาออกปล่อยไปเลยภาวนาก็ไม่ต้องการรู้หลวงใจเขาออกก็ไม่ต้อง แต่ตั้งใจฟังคาแนะนําของครูเท่านั้ น, นครูจะแนะนําในธรรมะด้านตากิเล็กจะลู้ว่าทุกคนลักษณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตว่างจากกิเล็นี่หมายครูเห็นว่าจิตว่างใจกิเล็มากความเป็นทิศจึงเกิดเพราะจิตที่ปุญญาจะเกิดได้เพราะจิตว่างจากกิเล็ ถ้าบุคคลได้จิตสะอาดจากกิเลสน้อยจะมีความเป็นทิพน้อยสะอาดจากกิเลสปกลางจะมีความเป็นทิพยป็นกลางถ้าสะอาดมากจะมีความทิพยัแ่มใสมากคนที่มีจิตสะอาดจากกิเลสน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกว่าทิพุญายคือความรู้สึกคําว่าทิพุญา์เนี่ยคือความรู้สึกของใจ ความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องไม่ผิดถ้าท่านที่มีจิตสะอาด จ, จากกิเลสไปกลางจิตมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะต่อไปทาว่าท่านที่มีจิตสะอาดที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากฉะนั้นขอทุกคนมาทราบว่าคาว่าที่ปุญาาไม่ใช่คิดประเนธคิดเป็นเนธคือลูกตาเป็นคิ นั่นจะมีได้ต้องว่าเป็นเทวดาแล้เป็นนางฟ้ารลอวเป็นลมถ้าเราไป็นคนมีทิฏฐิป เ, เป็นไดไม่ได้แค่ทิฏฐิปยานคำว่าทิฏฐิปยานขอย้ําน่อยดีว่าคือความรู้สึกของจิตแต่ว่าเป็นความรู้สึกครั้งแรกทรัทีทันใดสมมุติคือว่าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกก็มีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้าง ถ้าเรามีความรู้สึกว่ามีไม่เห็นภาพก็เชื่ตอบทันทีอย่างโตจะไม่ผิดถ้าหากว่าเขาถามว่าท่านที่อยู่หน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ตอบตามความรู้สึกถ้าเราม่นภาพถ้าถามลุงภาพผมสูนุ่งผ้าผมผ้าสีอะไรก็ตอบตามนั้นสําหรับท่านที่ได้ทิศปัญญาอย่างจางเห็นภาพไม่ชัดแต่ก็ไม่ต้องเชื่อภาพเชื่อใจ แต่ท่านนี้มีจิตสะอาดถึงที่สุดอันนั้นเชื่อดได้ทั้งใจทั้งตาพรามีความรู้สึกเพรางเห็นภาพุชัดเจนแจ่มใสมากถ้าตอนนี้ไปขอทุกคนหันหน้าไปทางพงุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานากรรมฐาน